เรามารวมกันอยู่นี่ก็เพื่อมาฝึกใจของตนให้ใจมันตั้งมั่นใจมันหนักแน่นใจคนที่มีกิเลสเนี่ยมันเหลาะแหละเลี้ยวไหลมันจึงหาความสุขไม่ได้เราจึงได้มาฝึกตาม แนวทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้สำหรับผู้ที่รู้สึกตัวนะผู้ไม่รู้สึกผู้ไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่ฝึกขนตนแหละอยู่ไปตามยถากรรมผู้ใดรูด้ตัวว่าตนจะมีความสุขได้ก็เพาฝึกจิตนี้ ให้มันหนักแน่นให้มันปล่อยมันวางในสิ่งที่ควรปล่อยควรวางให้มันยึดถธอเรื่องอดีตอนาคตมายุ่งอยู่ใน จ, ใจิตใจอันนี้พระคุูเเจ้าทรงสอนผู้มีปัญญาไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว เพราสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ควรคาดการล่วงหน้าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มียังไม่มาถึงทำใดปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันเนี่ย ในที่นั้นๆอันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคลนควรจะเริ่นทำนั้นเนืองเนืองเพราะพุูเเจ้าทรงสอนไว้บอกอุบายฝึกกิจไว้ดีเหลือเกินนะให้พากันนําไปปฏิบัติฮัดอย่าไปให้มันยึดมั่นในเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้ว ในธรรมดาใจของคนทั่วๆไปเนี่ยมันก็มงยึดถือเรื่องอดีตนั่นแหละหลายกว่าเรื่องอนาคตตนได้ทำอะไรมาแต่ก่อนตนได้พูดอะไรมันก็เก็บออกมาคิดถ้าเป็นเรื่องผิดหวังก็เอา้านึกถึงเวลาใดก็เศร้าใจเวลานั้นกุ้มใจ เพราะว่ามันผิดหวังบางคนก็นึกถึงว่าเมื่อวันนั้นเดือนนั้นเขาด่าเราคนนั้นยกโทษเราตำหนิติเตียนเราวันนึกอย่างนี้เราก็กลุ้มใจน้อยเนื้อตามใจก็คล้ายๆกับว่าตนนั้นไม่มีคุณค่าอะไร อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนดูถูกดูมินเหยียดยามนี่แหละเรื่องที่ยึดถืออารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็ทำจิตใจให้สงบลงไม่ได้เลยมันเปน็นยาง้นเพราะมันไปยึดมั่นไปสำคัญว่ามีเขามีเราสำคัญดีดีชั่วชั่ว อะไรอยู่อย่างนั้นนะมันมันไม่ได้แล้วจิตจะสงบลงไม่ได้เลยถ้าไปยึดเอาอารมณ์หรือมาวิตกวิจารอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะไม่ได้ต้องปล่อยปล่อ ย, อยวางวางมันไปเรื่อยๆรื่อยเพราะว่าเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ไม่มีอะไรตั้งยั่งยืนจิตที่ทางหากไปหลงไปหลงสำคัญวนะ่าเป็นของเที่ยงสำคัญวนะ่ามีตัวมี ต, มตนนั่นแหละให้มาทวนกระแสจิตเข้ามามาโทษตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นทุกข์เพราะตนเองเนะี่ยไปหลงไหลในเรื่องที่ไม่ควรหลง ไปมัวเมาในเรื่องที่ไม่ควรมัวเมามันถึงได้เป็นโทุกไอ้ผู้มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นหรอกเอา้าใครจะตำหนิสิเตียนใครจะยกโทษอะไรก็แล้วแต่มันคนมีปัญญาท่านหลายก็มาสำรวจกวดดูตัวเองไอ้ตัวเองมันบกพร่องอะไรบ้าง หรือไม่บกพร่องตนเองไปทำไปพูดอะไรให้ใครเจ็บใจมีไหมตนได้ไปดูถูกเหยียดหยามใครเมื่อมาทบทวนดูแล้วก็เห็นว่าตนไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยตนไม่ได้ไม่ไมเจตนาที่จะไปเบียดเบียนใครอย่างนี้เมื่อรู้ว่าตน เป็นผู้บริสุทธิ์จากเรื่องเช่นนั้นอยู่นี่ก็ไม่หวั่นไหวเลยอันผู้ที่ตำหนีตีเตียนตน น, นเข้าใจผิดเป็นคนหลงเป็นคนเมาก็อาภาัยให้ไปทำใจได้อย่างนี้ก็สบายเพราะว่าคำสรรเสริญและคำนินทานี่ มันเป็นธรรมประจำโลกมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> เป็นธรรมของเก่าผู้ดใดไม่รู้เท่าก็ทุกข์ใจหนักใจเย่างนั้นผู้ดใดรู้เท่าแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่หนักใจก็ปล่อยให้มันผ่านผ่านไปเรียวเลี้ยวไปแต่ละวันแต่ละคืน ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตไม่ยึดถือไม่วันไหวแล้วมันถ้าเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นตามเรื่องของมันนี่ให้พากันเข้าใจมันมาสำคัญอยู่แต่จิตดวงเดียวนี่แหละมันก่อเรื่องขึ้นอยู่เรื่อยก่อเรื่องให้แกตัวเองนี่แหละเพราะเหตุอะไรมันยิ่งเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่รู้ไม่ฉลาดนั่นแหละเรื่องมันน่ะ <c oughs> มันหลงมันการฝึกฝนอบรมตนมันยังอ่อนอยู่ยังไม่เข้มแข็งพอสติกออนะ็อ่อนนี่นะพูดถึงว่าอ่อนแล้วกับอินทรีย์ทั้งห้านั้นแะมันอ่อนนะศรัทธาความเชื่อในการฝึกตน ให้เข้มแข็งขึ้นมันก็อ่อนแอลงความเชื่อไม่เพียงพอเมื่อความเชื่ออ่อนแอลงความเพียรมันก็อ่อนอเป็นอย่างนั้นเกิดความเกลียดคร้านทําความเพียรขึ้นมาแล้วเพราะว่าความเชื่อนั้นมันเชื่อว่าทําอย่างนี้เนี่ะมันจะได้ผลกี่มากน้อยเท่าไหร่ มันลังเลอยู่ในใจอย่างนั้นน่ะเหตุนั้นความเชื่อมันจึงอ่อนลงความเพียรมันก็อ่อนไปตามกันสติความระลึกได้ความที่ระลึกทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในก็ <c oughs> ไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยบ่อยๆนานๆคนจะึงนึกปัดถึงตัวเองครั้งหนึ่ง อย่างนี้นะมันไม่ทันกับความหลงเพราะฉะนั้นในพระธรรมคุณนะพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสไวโอปนาญโกให้น้อมพระธรรมเนยเข้ามาน้อมพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้ามาสู่จิตใจนี้ดูแต่หลักพระธรรมคุณนี่ก็แล้วกันนะ มันเป็นเครื่องชี้บอกหนทางที่ถูกต้องพระธรรมคุณเนี่ยถ้าผู้ใดได้ประสบกับเรื่องใดมาอย่างนี้นะกรรมขอมาอยาส่งใจออกไปตามเรื่องนั้นให้น้อมสติเข้ามาภายในจิตใจมากำหนดรู้อยู่ภายในนี่มันเรื่องอะไรอย่างนี้นะ พอมากำหนดรู้อยู่ภายในพิจารณาอยู่ภายในนี้ปัจจุบันนี้มันก็รู้ชัดเลยว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เมื่อรู้ความจริงของเรื่องนั้นนันแล้วก็พิจารณาว่าเรื่องต่างต่างเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงถ้าืนยึดถือไว้มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะ ก็เป็นทุกข์เลยไปยึดถือของไม่เที่ยงไว้มันจะเป็นสุขยังไรอ่ะสิง่งใดเพลนทุกข์ควรหรือที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอ่ะไม่ควรเลยถ้าเช่นนั้นควรอย่างไรอ่ะควรปล่อยวางตามสภาพสิง่งใดเป็นอยู่อย่างใดก็ปล่อยวางให้มันเป็นอยู่ตามสภาพของมันอืม อย่าอย่าส่งจิตไปยึดถือมันสมมติมันขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นชั่วอย่างนี้สวยงามอย่างนั้นขี้ร้ยอย่างนี้อะไรอย่างนี้นั่นแหะอย่าอย่าไปวิตกไปในเรื่องนั้นนั้นห้ามจิตได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกลไกของมัน คนไกลของมันก็ไม่มีอะไรแหละเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปก็เท่านั้นเนี่ยไม่เห็นมีอะไรลี้รับอยู่ในโลกอันเนี้ยถ้าจิตนี่มันฝึกเข้าไปม า, มากๆเข้าไปมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็ลากความยึดถือเมื่อมันลากความยึดถือได้แล้วมันมองดูอะไรก็เป็นความจริงไปหมด อ่าสมมุติก็รู้ว่าเป็นสมมุตินะปรามัดก็รู้ว่าเป็นปรามัดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ส่งสอนในปฏิเสธเรื่องสมมุติเรื่องบัญญัติรับรู้สมมุติเหล่านั้นแต่มันไม่เที่ยงสมมุติอะไรต่ออะไรดีชั่วอะไรขึ้นมาเรื่องสมมติต่างสเล่านั้นรว้แต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไป อย่างนี้อันนี้ปรามัตล่ะประมัดหมายความว่าความรู้แจ้งตามเป็นจริงในสมมุตินั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเอ่ออันนี้สมมุติสมมุติเหล่านี้นั่นมันเป็นในเพียงสมมุติเอาสภาวธรรมต่างๆที่เกิดดับอยู่ในโลกอันนี้ มาว่ากันอือ่ อ, อ, อสังคตธาตุอะสังคตธาตุธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้แก่คนได้แก่สัตว์ได้แก่ต้นไม้ภูเขาดินหินกลวด แม่น้ำลำคองอะไรต่างๆพวกนี้นะมนานาศัยปัจจัยต่างๆปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปอสังคตธาตุนั้นได้แก่าธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระพุเทธเจ้าทรงตรัสว่ามีนิพพานแห่งเดียวเท่านั้น ที่ไม่มีปัจัยปรุงแต่งให้เคลื่อนไหวไปมาให้ท่องเที่ยวไปมาพระนิพพานไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเรียกว่าอยู่เหนือสมมุติ เหนือบัญญัติไม่ต้องไม่ต้องว่าอะไรกันเลยถ้าความจริงแท้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระนิพพานนั้นหมดสมมุติบทบัญญัติแล้วแต่ก็เอามาสมมติกันว่าอยู่ยนี้แหละถ้าไม่สมมุติก็ไม่รู้เรื่องแต่ความจริงของนิพพานยังรนะิงนั้นไม่มีสมมุติบัญญัติอะไรไม่มีเหตุปัจจัยอะไรอยู่ในนั้นเลย แต่นอกจากพนิพาณไปแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นเครื่องปรุงแต่งให้เกิดให้ดับอยู่อย่างนี้อย่างคนอย่างนี้นะมันก็มีบุญและบาปหรือว่าอวิชชาตันหาหมูนนี่เป็นปัจจัยนำให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอย่างนี้นะคนก็ดีสัตว์ก็ดีเหมือนกันเนี่ยทีนี้ดิน ห็นกรวดทรายต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้มันก็อาศัยธาตุสี่นั่นแหละรองดองสามะคีกันขึ้นแล้วมันก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาอย่างนี้แหละ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันแต่มันไม่มีจิตครองอ่า ภาดเหล่านี้นะบางคนก็อาจจะว่า เ, าเส้นต้นไม้มันก็มีมแมลงเข้าไปอาศัยอยู่นั่นล่ะมันจะไม่มีใจครองหรืออันนี้นก็ยังว่าตัวมแมลงตัวสัตว์มันเกิดขึ้นเป็นตัวสัตว์อันนั้นนะแต่มันอาศัยอยู่ต้นไม้เฉยๆอย่างนี้ แต่ตัวต้นไม้จริงๆแล้วมันไม่มีจิตครองอยู่ในนั้นเลยนะถ้ามันมีจิตครองอันนี้คนไปตัดไปฟันมันก็เจ็บมันก็ร้องมันยังสัตว์ไปตีมันมันก็ร้องเจ็บนั่นแหละมันมีจิตวิญญาครองอ่ะนี่เราต้องเรียนให้รู้นะรู้สภาวธรรมทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าสิ่งใดมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทางนั้นเลยอมีเกิดแล้วก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นกิเลสตัณหาอันจิตใจปรุงแต่งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความรักอย่างนี้นะพอ ม, มันเกิดขึ้นมาในหัวใจแล้ว นอหนึ่งมันไม่สมหวังเข้าไปมันเกิดความชังขึ้นมานี่มันจะเอาอะไรมาเที่ยงอยู่นั้นความรักก็ดีความชังก็เหมือนกันเนี่ยชังกันไปชังกันมานอหนึ่งคนเกิดดีกันขึ้นมาแล้วเกิดรักกันขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละโกรธกันไปโกรธกันมานอนหนึ่พเกิดดีกันขึ้นมาอันมูนี่ มันพอพิสูจ์ได้แล้วว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นพิจารณามันเห็นอย่างนี้นะมันก็เบื่อหน่ายมันนะก็ไม่สร้างมันขึ้นแหละมา น, นี่สร้างของไม่เที่ยงขึ้นมามันก็มาก่อความวุ่นวายให้แก่จิตใจอยู่อย่างนั้นสร้างความรักขึ้นมาอย่างนี้นะเอาความรักนี่มันต้องมีความหมายสิ หมายยังไงอะ่ะเอากรักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสนั่นแหละเมื่อรักแล้วก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็แสวงหาอย่างนี้แหละเมื่อแสวงหาได้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงบ้านี้แ ป, ปลโปรนไปทีแรกได้มาใหม่ก็ดีอกดีใจชื่นใจดีนานไปมันชำรุ่ยโซ่แล้วก็เบื่อฮะนี่ อ่าเบือ่อสระมันทิ้งเอาเห็นใหม่ก็รักใครในของใหม่ต่อไปอีกอยากได้อีกกระเสวงหามันมาอีกเอาเอาได้มาแล้วนอนหนึ่งเหมือนกับช้ำรุดนทุโทมีอันเป็นไปห็นเบือ่อไนเป็นอยู่ที่เนี่ยนะบุคคลผู้ตกเป็นธาตุแห่ง กิเลสตัณหาอันเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่อย่งยืนจิตใจมันก็คลอยวันไว้ไปตามของไม่เที่ยงนั้นแหละอืเหตุนั้นผู้ใดมีกิเลสหลายจิตใจมันจึงฟุ้งซ่านเลื่อน้อยมากก็เป็นทุกข์มากเป็นเช่นนั้นดางนั้นเราผู้ภาวนาต้องพิจารณาให้มันเห็นเรื่อง ที่จิตใจของตัวเองมันคล่องมันหลงมันเมาอยู่เนี่ยเราหมั่นทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอว่าจิตนี้มันอยู่อย่างไรอมันมีความกำลัดยินดีในอะไรอยู่หรือในขณะนี้อย่างนี้นะถ้ามันไม่มีความกำลัดมันก็รู้เพราะตัวตัวเองทวนกระแสเข้ามาดูตัวเอง ถ้ามันไม่มีความกำหนดมันก็รู้ว่าไม่กำหนดหรือว่ามันโกรธใครอยู่ก็รู้ว่ามันโกรธมันไม่โกรธก็รู้ว่าไม่โกรธอย่างนี้ก็ถ้ารู้ว่ามันมีกิเลสเหล่านั้นขึ้นมาอยู่อย่างใดอย่างหนึง่งก็กำหนดละมันธรรมดาผู้รู้นะ อ๋ออันนี้กิเลสอันนี้ตัวภัยของชีวิตอย่าไปเลี้ยงมันไว้ก็เพียนกำหนดละมันใน ล, ลงในปัจจุบันนั้นไม่วิตกวิจารต่อไปเมื่อใจมันไม่เอาเสียแล้วนะมันอยู่มันตั้งอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสตัณหาต่างๆเมื่อใจไม่ต้องการซะแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปแหละ มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อส่วนยาส่วนกลางดับไปมันยังส่วนละเอียดอีกด้วยนะส่วนละเอียดนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามีกิเลสเหตุนั้นจึงต้องบําเพ็ญสมาธิให้ละเอียดเข้าไปเจริญปัญญาให้ยิ่งไปมันจึงรู้กิเลสส่วนละเอียดได้คือว่ารู้กิริยาของจิต ที่วันไหวไปตามกิเลสส่วนละเอียดนั่นน่ะมันวันไหวยบาเว้าท้าหากว่าปัญญาไม่ตามรู้จริงๆไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจิตมันวันไหวไปตามกิเลสอันละเอียดอืมต่อเมื่อจิตนิ่งเพ่งพินิษอยู่เนี่ยแล้วก็กําหนดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของกิริยาจิต อย่านั้นก็รู้ได้เอเมื่อกิเลสถวและเอียดอันใดมันยังมีอยู่มันก็ปรากฏให้รู้ให้เห็นในทางปัญญาก็เป็นเช่นนี้แหละอุบายวิธีละกิเลสไม่ใช่ว่าเรามีปัญญาแค่นี้เราจะละกิเลสไปได้หมดทุกประเภทไม่ไม่ไม่ได้ละไม่ได้ ปัญญาในขั้นระดับหนึ่งมันก็ต้องละกิเลสไปได้อีกระดับหนึ่งอย่างนี้นะถ้าเราจเจริญปัญญาให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่กิเลสส่วนที่ยังเหลือมันก็ระงับไปมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปใช้ปัญญาระดับเดียวไม่ได้เลยทีนี้ปัญญาจะเกิดได้ก็อาศัยความเพียนเพ่ง อยู boy boy. ่บ่อยๆนี่มันเพ่งพินิษต์อยู่บ่อยๆเลยจะเป็นเวลานั่งสมาธิอยู่ก็าตามไม่ได้นั่งสมาธิก็ช่างมันผู้ผู้มีปัญญาผู้มีสมาธิจิตเป็นทุนอยู่แล้วมันถักเพ่งพินิษต์อยู่ในตัวเลยเพราะว่าสมาธิหรือปัญญามกําจัด ความหลงขั้นยำหยาบออกไปแล้วดังนั้นการที่ความหลงขัน้นหยาบจะมาทำจิตให้พุ่งสร้างเลื่อนลอยไปไม่มีดังนั้นไอความที่จิตตั้งมั่นอยู่ภายในเน่ะมันจึงเป็นไปได้แบบนี้นะเพราะกิเลสยำหยาบมันระงับลงไปแล้วจิตจึงได้ตั้งมั่นอยู่เสมอไป ได้ น, นอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนก็เห็นจิตของตนตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไม่ยินดีกับอะไรไม่ยินร้ายกับอะไรแม่เรื่องใดกระทบกระทงมามันก็รู้ว่ามันมันละมันไม่ยึดถือเรื่องนั้นก็ดับไปมันก็รู้รู้ว่าจิตไม่ยึดถือมันก็รู้ก็จะว่าฝึกจิตให้รู้ กระทำของเก่านั้นแหละแต่เมื่อมันไม่รู้แล้วมันหักพุ่งไปมันก็ไหลไปตามกระแสของกิเลสนั้นนี่นะดังนั้นเราจึงต้องฝึกพยายามกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของกิริยาจิตนี่ให้มันบ่อยๆรู้เท่าทัน ก็ไมเพราะว่าตัวเองแหละรู้เท่าทันตัวเองตัวเองควบคุมตัวเองถึงขั้นนี้แล้วนะเราไม่ได้อาศัยสิ่งใดเลยสติก็อยู่ที่จิตนี่สมาธิก็อยู่นี่ศีลก็อยู่ที่จิตแล้ววันนี้นะนั่นแหละเพราะว่าได้กันกรองเข้ามาไว้ในจิตนี้หมดแล้วปัญญา มันก็เกิดจากสมาธินี่เมื่อเมื่อใช้ปัญญาไปพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็หยุดหยุดหยุดคิดวันนี้หยุดวิจารณ์ก็น้มสติเข้าไปประคองจิตให้เข้าถึงความสงบอยู่เป็นอย่างนั้น เดียวก็เหมือนอย่างคนทํางานด้วยกําลังกายนี่แหละเมื่อทําไปแลมันเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแบบ น, นี้นะนอนนิ่งอยู่ไรมันก็หลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีกําลังเรี่ยวแรงดีหายเหนื่อยจิตนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อใช้ตัวเองทํางาน เกี่ยวกับการเพ่งพินิษ์การค้นคั้วการกำหนดละการกำหนดรู้มางว่าเข้าไปืองกันเหนื่อยได้เหมือนกันนะเหตุ น, นั้ น, นจึงต้องเข้าไปส ง, งบสกักก่อนไปหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันไม่วิตกวิจาร์เรื่องอะไรต่ออะไรให้มันพักอยู่อย่างนั้นไปชั่วระยะหนึ่ง เมื่อมันเห็นว่าจิตมีกําลังดีแล้วอย่างนี้ก็จึงเริ่มพิจารณาต่อไปอีกว่านี้ต้องการรู้เรื่องอะไรก็กําหนดเรื่องนั้น่าพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วยึดถือไว้ไม่ใช่เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางถ้ายึดถือไว้ก็เป็นภาระอันหนักเพราะไปยึดถือของไม่เที่ยงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหะเบงะปล่อยวางท่านปล่อยวางแล้วจิตก็รวมมันจะไม่พุ่งไปทางอื่นเลย เพราะว่ามันเบื่ออยู่ในใจอยู่เบื่อ ด, ด้วยปัญญาอยู่แล้วมันถึงปล่อยจึงวางสิ่งที่มันพินิษพิจารณาอยู่นั่นที่มันรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วนั้นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดถือเลยเพราะคืนยึดถือก็เป็นทุกข์เมื่อมันเตือนตัวเองเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็วางลง น, นั่นแหะพอมันหายสงสัยในเรื่องนั้นแล้วอันแต่บางอย่างในะเรื่องนั้นนะ่ะเคยสำคัญว่ามันสวยมันงามเคยสำคัญว่ามันดีอะไรอยู่นี่นะแต่ก่อนมานะ่ะมันเคยสำคัญบางงั้นทีนี้เมื่อกาหนดออกมาแยกแยะดูโดยปัญญาแล้ว จึงมองไม่เห็นเลยว่าอันใดที่สวยสวยงามงามหรืออันใดดีหมดเหตุไม่มีอือมมีแต่สภาวธาตุเท่านั้นเองเมื่อแยกแยะออกดูแล้วธาตุ ด, ดินก็เป็นดินไปธาตุน้ําก็เป็นน้ําไปธาตุไฟก็เป็นไฟไปธาตุลมก็เป็นลมไปเป็นธาตุดั้งเดิมนะของดั้งเดิมอันนี้นะดินน้ําไฟลมนี่เป็นของดั้งเดิม แต่ถบุญกรรมนําดวงจิตนี่มาปฏิสนธิในธาตุดินน้ําไฟลมนี่ทัางหากบุญกรรมตกแต่งให้เป็นรูปร่างอวัยะวะน้อยใหญ่ต่างๆขึ้นมาก็ปุ้งแต่งตกแต่งธาตุดินน้ําไฟลมนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาวิปัสสนาเนี่ยนะเมื่อเพ่ง ดูให้มันแจ่มแจ้งเข้าไปได้อย่างนี้มันจึงสามารถละอุปทานความยึดพันถือมั่นได้ถ้ามันไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ท้วนลงไปแล้วมันยังละไม่ได้เพราะมันเคยยึดเคยถือมา น, นานแสนนานนะจิตวิญญานี่อาศัยรูปอาศัยนามอันนี้มาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพ กี่กับกี่กันมาแล้วเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งดำไปจริงต่างตราบใดมันก็จะต้องเชียอาศัยธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่แหละไปเรื่อยๆไปแล้วก็ได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างไปในสงสารนี่แต่ผลสุดท้ายก็เสวยทุกนั่นแหละไปทำไมอ่ะ อา้าวเวลาจวนจะตายนะมันมีสุขเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละรือเวลาโรกภัยกำเริบขึ้นมานะนะมองหาความสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยมีแต่ทุกข์รวนรวนเมื่อเวลาจวนจะตายก็ยิ่งแล้วเลยหาความสบายน้อยหนึ่งไม่มีเลยมีแต่ทุกข์รวนรวนนะเมื่อเวลาจวนจะ หมดลมหายใจเขาออกจริงๆเขาก็ปรงก็วางไอ้ธาตุสี่ขันห้าอย่างที่ว่านี่แหละเมื่อวงวางหมดแล้วอนั้นมันก็เหลือแต่จิตดวงเดียวเหลือแต่ความรู้จริงเห็นแจ้งเท่านั้นแล้วมันไม่ไปยึดถือสิ่งใดเช่นนี้มันก็ไม่มีทุกข์นะวันนี้เวลามันยัง ไม่ถึงที่สุดมานี่มันก็รู้สึกทุกข์อยู่คันเมื่อเวลาจะทิ้งสังขารนี่จริงๆแล้วมันมันไม่รู้สึกทุกข์แล้ววะนี้่มันปรง่งมันวางลงโดยจิตก็อยู่เฉพาะจิตนะกายก็อยู่เฉพาะกายอนะก็ง่ายๆมันไม่มันไม่เนื่องกันอนะ่ะมันไม่ยึดถือแล้วอืาอย่างงี้นะ ผู้ใดทําจิตได้อย่างนี้เมื่อร่างอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่ได้หอบอทุทกติดไปด้วย น, นั่นเองหรือว่าท่านผู้สิ้นอาศวะกิเลสแล้วก็อันนั้นไม่มีปัญหาเลยท่านก็มีจิตบริสุทธิ์พุตผ่องท่านก็ทําความรู้ตัวอย่างเดียวเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยแล้วถ้ากร น, นีผ่านไปไอ้สาหรับผู้ที่ยังไม่ทันบรรลุถึงบรณิผานถึงแม้จะรู้แจ้งอยู่ในนามในรูปอันนี้มันก็รู้ได้แต่ส่วนที่มันรู้ส่วนที่มันไม่รู้มันก็ยืดอยู่อย่างนี้แหละแต่อปบายที่ว่าเมื่อเวลาจวนจะสิ้นที่ทำลายขัน มันถ้ารู้ว่านี้อุบายนั่นน่ะอุบายปร่งวางไม่เกาะเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตอะไรไม่เกาะเกี่ยวกับเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาต่างๆวันนี้มันเห็นแจ้งเราไม่ใช่ของเรามันขันทั้งห้าหรือว่าสังขารตัางหากที่มันแปลป่ยนไปมันจะแตกกระดับอยู่นั้นน่ะ มันมันไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยอม่มันก็หนดรู้อย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรถึงได้ว่าละร่างอันนี้ไปแล้วจะไปเกิดอีกยางไี้มันก็ไปเกิดที่สุขที่สบายไม่ได้ไปสู่ทุกข์เลยเมื่อหากว่ามันยังเหตุปัจจัยยังละไม่หมดมันก็ยังแต่เหตุปัจจัยส่วนละเอียด เช่นนี้มันก็นาไปเกิดในพบที่ละเอียดที่มีความสุขอันประนีตันไปอย่างนัน้นเรื่องบุญกุศลนี่นะมันละเอียดมันประนีตเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปสุดแล้วแต่จิตของผู้ใดฝึกฝนอบรมไปจิตมันละเอียดไปเท่าไรบุญกุศลก็ละเอียดไปเท่านั้นอมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราอย่าไปนึกว่าเราภาวนาใจสงบลงเท่านี้พอแล้วอย่าไปนึกอย่างนั้นไม่พอต้องเพ่งจิตนี่เข้าไปให้มงมากต้องพินิษพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปอืเพ่งจิตให้จิตมันรวมลงละเอียดเข้าไปก่อนนั้น ให้สัมผัสอะไรที่มาถูกต้องกิตเนี่ยมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปอย่าให้สัมผัสหยาบมันปรากฏอันนี้นหละการที่เรามาพิจารณามาอบรมฝึก้นจิตนะเมื่อเราฝึกผนไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตนี่มันก็ค่อยรู้ยิ่งค่อยเห็นจริงขึ้นไป ทำของเก่าแหละเราเอามาสอนจิตตัวเองเ ข, ของเก่าทั้งนั้นเลยของที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะอาจจะเป็นของใหม่อะไรเราธาตุสี่ขันห้ามันนี่มันก็มีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราก็สอนจิตนี่ให้มันปรงมันวางให้มันเบือ่อมันนายต่อนามต่อรูปอันนี้นะสอนแล้วก็สอนอีกอยู่อย่างนั้นบางคนก็ คิดว่าพิจารณาจากของเก่าอยู่มันก็ น, น่าเบื่อมันจะไม่มีของใหม่บ้างหรือไอ้อย่างนี้ก็มีอาจจะไเอาของใหม่ที่ไหนมันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่มีนอกเหนือไปจากนี้นะนั่นเองบุญกรรมตกแต่งธาตุสี่ขันห้านี่ให้มาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะมันก็มีเท่านี้เองนะ แต่แปลว่าจิตของเรายังไม่รู้แจ้งชัดตามเป็นจริงได้รู้กะรู้เป็นบางอย่างยังไม่แจ่มแจ้งนี่ให้สำคัญอย่างนี้จึงว่าต้องต้องเพ่งต้องพินิษพิจนารณาให้มากมาเข้าไปไอความรู้อันนี้มันก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้นะ ให้เข้าใจผู้ใดย่อหย่อนในความเพียรผู้นั้นความรู้มันก็ไม่ยิ่งนะมันก็เท่าเดิมไม่ก้าวหน้าเป็นองนั้นดังนั้นน่ะคำว่าความเพียร น, นี่มันหมายคำ ว, ว่าเราเดินไปข้างหน้าเลยไม่มีถอยหลังแต่ว่าการเดินไปนั่น การผู้มีกำลังมากก็เดินได้เร็วผู้มีกำลังน้อยก็เดินได้ช้าแต่เดินไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันก็ให้เปรียบอุมปมาปรปมาดูอย่างนี้ก็แล้วกันบางคนไปเห็นเพื่อนว่าเพื่อนผู้นี้ภาวนาเก่งได้สมาธินั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ ไอเรานะ่้มันนั่งไม่ได้อย่างนั้นนะแล้วก็น้อยใจให้ตัวเองอ่าอย่างนี้มันไม่ถูกเราจะไปเอาทากคนอื่นมาเป็นเครื่องวัดตัวเองดำเนินไปตามผู้อื่นร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้ดอกเพราะว่าบุญกรรมต่างคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกัน ไอพ้พวเท่นั่งนานไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็เจริญปัญญาเมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรแล้วนี้ก็พิจารณาให้มันรู้ความจริงของชีวิตนี่อย่างเช่นในสติปัฏฐานสี่อย่างนี้นะ พระองค์เจ้าสอนทางลับไปเลย่ะกายก็สักว่าแต่กายเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาจิตก็สักว่าแต่จิตธรรมารมที่เกิดกับจิตก็สักแต่ว่าธรรมารมไม่ใช่สัตร์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเนี่ยได้สติปัฏฐานก็ให้สติมันรึกเข้าไปหาจิต กำหนดรู้ตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นน่ะกำหนดรู้ในใจจริงๆเลยเนื้อร่างกายนี้กมันไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรเลยอย่างนี้นะะ เ, เวทนาคือความสเสวยอารมณ์มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขหมดเนี่ยแล้วก็สักว่ัตเวทนาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราในพระองค์สอนให้กําหนด รู้ทุกขเวทนาทุกเวทนาต า, ตานี้อยาอยาไปสำคัญว่าเป็นเราอย่าไปสำคัญว่าเรากำลังเป็นทุกข์อยู่เดียเ๋ยวนี้เรากำลังเสวยสุขอยู่อย่างเนี้ปพื้มอกปลื้มใจเมื่อตนได้เสวยสุขอันนี้ก็ไม่ถูกทางอย่างนั้นไม่ถูกทางสายกลางริงว่า เมื่อมันเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ทำจิตเป็นกลางได้แล้วว่านี้นะที่เมื่อยังไม่เห็นแจ้งในสภาวะธาตุทั้งหลายและนะ้วนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้มันก็จะทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้มันก็ต้องเอียงไปแล้ว่านี้นะหลงยินดีพอใจหลงเสียใจหลงโกรธ ในสิ่งที่ตนไม่ชอบอกชอบใจเพราะมันถือว่ามีตัวมีตนเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนเนี่ยมันถึงได้ถือมั่นอย่างนั้นมีเขามีเราแล้วมันก็มีรักมีชังมีโกรธมีเบียดเบียนกันละกันนี่โทษที่ไปสาคัญผิดคิดว่าสิ่งทั้งปวงที่มีใจคลองก็ดีไม่มีใจคลองก็ดี สำคัญอาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ่ะอันมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี่ก็เพราะความสําคัญผิดอย่างว่านี่มันมีอยู่ในใจเป็นสําคัญว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราเราจะต้องตอบโอ้มันจะต้องแก้แค้นให้ได้นี่มันมีเรามีเขาขึ้นมาอย่างนี้แหละมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก็คิดดอวะโทษแทงความหลงผิดคิดต่าสังขารต่างพวงมีเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานี่โทษมีมากมายเหลือที่จะพรนน า, นานนผู้เจริญภาวนาเจริญปัญญาวิปัสสนามันต้องรู้มันต้องพยายามเพิจารณาให้มันรู้ชัดอย่างที่ว่านี่ เมื่อพี่นาไปมันรู้แจ่มแจ้งไปเท่าไรมันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่รู้ยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็ยังละอุปทานไม่ได้คือละความยึดถือไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอแต่เห็นครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วมันจะละความยึดถือได้หมดไปเลยอยันนี้ไม่ใช่ไม่ได้หรอก ปัญญานี่ยังไม่แหลมคมยังไม่ยิ่งกวอกิเลสทั้งหมดนี่ตาบได้แล้วมันจะลากกิเลสให้หมดทั้งรากทั้งเหง้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอบรมศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆอย่าไปล่วงศีล อบรมสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้อย่าปล่อยใจขอนให้เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นเพราะธรรมดาผู้มีสมาธิแล้วถึงแม้ออกจากสมาธิมาก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นประคองจิตให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่แม้ว่าเราจะคิดอะไรอะไรก็คิดไปอย่าง ที่รู้เท่าไม่ใชคิดเลื่อนลอยไปด้วยความหลงเมื่อคิดเรื่องใดรู้แจ้งแล้วก็ฟงก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้นี่เรียกว่าเรารักษาสมาธิจิตไว้ได้ดังนั้นมันถึงไม่ยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งนั่นแหละปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นจากสัมผัสนั่นแหละ ก็จิตตั้งมั่นอยู่แล้วมีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาเอาจิตกำหนดพิจารณาเรื่องนั้นเห็นแจ้งชัดนั่นดาทานเรียกว่าปัญญานี่ถ้าหากว่าตนไม่ภาคเพียนเพ่งวินิจพิจารณาเรื่องที่มาถึงตนนั่น่ะปล่อยใจให้หวันไว้ไปเสีย้ยงอย่างนี้ปัญญาก็ไม่เกิดเลยขอให้เข้าใจปัญญามันจะเกิดเพราะว่ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเขามาแล้วกำหนดรู้ กำหนดเห็นกำหนดพิจารณาเมื่อรู้ว่าไม่มีสาระอะไรแล้วก็กำหนดปล่อยวางไม่ถือมากน้อยอย่างนี้นะ <c oughs> นั่นปัญญามันก็เกิดที่แบบ น, นี้นะปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอุบายสอนจิตเลื่อยไปนะเแต่อย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นเมื่อได้สดับตร์ปรฟังแล้ว ขอให้พากันจำอุบายธรรมะที่พรรธนาให้ฟังมานี่ไว้ในใจของเราทุกคนให้เอาไปสอนจิตของตนเข้าไปเมื่อจิตยังไม่ตั้งมั่นก็พยายามทำจิตให้ตั้งมัน่นนี่นะอย่าไปหลงหลับเนี่ยอย่าไปคิดประลัมปรลาไปในเมื่อเวลาจิตเลื่อนลอยอยู่คิดไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก ต้องโน้มต้องเพ่งจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเช่กนก่อนหลักนี้แหละเป็นหลักสําคัญมากขอให้พากันจําไว้เมื่อตอนสามารถบังคับจิตของตอนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศล ร, รมต่างๆได้แล้วปัญญามันก็ต้องไหลหลังทั้งเทออกมาจากสมาธินั่นเลยก็รู้ความจริงของชีวิตตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมัน่น ว่าเป็นเราเป็นเขาอันที่จะเป็นทางคนทุกขภัยในสงสารดังแสดงมา